กครูอาจารเรียบซาสันขออนุญาตแสดงธรรมให้หงอิตอนลบทั้งหลายวันนี้เป็นโอกาสดีอาตมาใช้คำว่าหลวงพ่ อ, ลพอแล้วคนน่าฟังใกล้ิดกันหน่อยอา ต, ตมาหมาฟังแล้วหา ง, งนด้ัว น, นี้เป็นโอกาสดีที่ลหลาพได้มเชียงใหม่อยากจะเญาธรรมะมาคืนให้คนเชียงใหม่ก่อนหน้านี้ยี่สิกว่าปี พราพังเรียนธรรมะจากครูบาอาจารย์ทางเชียงใหม่เนี่ยยินครูบาอาจารย์อยู่หลายอโอ ง, โงที่เป็นหลักเลยคือหลวงปู่สิงห์นี่ตั้งสิ้นมหลายปีแล้วพวกเราบางคนไม่รู้จักละแต่ต้องขึ้นมาเชียงใหม่ทุก ป, ปีนะะเรียนธรรมะกะับนะท่านองค์หนึงท่านอาจารย์บุญจาร์หรือทรรสาตเพื่อก็อาจารย์เขาอินพระสันติีรรมมาเรียนกับครูบาอาจารย์ทางเยีหลายมง ในเด็กโรงเรียนอาจารย์ครูบาอาจารย์สารท้ภาษาเดียวกันทาษาครูบาอาจารย์แม่ป่าการที่เรากข้าเรียนมารถจากครูบาอาจารย์จนวนมากเรียเยอะแต่ครูบาอาจารย์หลายสิบองค์สมัยน่นตะเวนครูบาอาจารย์ที่ดีๆองค์ไหนมีชื่อเสียงขึ้นมาไม่ใช่แต่เชื่อเสียงเลยเพราว่าได้ข่าวว่าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปเที่ยวตะเวนไปหา ไม่เฉพาะในสายวัดปา่าสายยื่นๆก็ไปหาสายหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนอะไรวงพ่ ก, ก็เข้าไปสายท่านแฟนารย์พุทธค่าก็เข้าไปการที่ได้เที่ยวศึกษาธรรมะหลายๆที่ได้พบความจริงข้อหึงก็คือครูบอาจารย์ที่ท่านดีท่านพิเศษจริงๆนท่านสอนธรรมะเป็นอันเดียวกันทั้งหมดเลยสอนเป็นเดยนนียวกันโดยสํานันโมหานโดยศิลปะในการสอน จะแตกต่างกันสํานวนโมหานภาษาองคแต่ละองค์แต่ละองค์จะไม่ค่อยเหมือนกันอย่างบางองค์ท่านสอนบอกว่าภพผู้รู้ทาลายผู้รู้ภพจิตทาลายจิตจนถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จิ ต, จ ต, จตในโลวงปู่ดูลสอนเลยไอ้กลาบหลกงู่ลาที่ปู่เจ้าก้อนนั่นก็สอนดีนี่ผ่านไม่ใช่ผู้รู้พ้าผู้รู้ไปจนไม่มีที่กําหนดหมายถ้าหมายอยู่ก็พอเหมือน แต่โดยภาษานะไม่ได้มีอะไรเหมือนกันสักคำเดียวเลยแต่โดยสภาวธรรมเป็นพนะันเดียวครับครูบาอาจารย์ทุกๆกองค์ไม่ว่าองค์ไหนก็ตามที่สอนนะถ้าจะย้าลงมาที่ความมีสติไม่มีองค์ไหนเลยที่สอนบอกว่าอย่าอย่ามีสติทั้งหมดต้องมีสติไม่ว่าจะฝึกด้วยวิธีใดกันสิ้นจะฝึกในแนวพุทโธแนวคองยุคแนวทำจังหวะอย่งหลวงพ่เทียน รู้อนี่เาบทศีอะไรก็ตามเกือแม้ว่าจะฝึกด้วยวิธีใดสิ่งที่ต้องมีเหมือนกันหมดเลยคือความมีสติก็เราได้ยินคาว่าสติมานานนะบางทีตามถนนก็เห็นมีป้ายมีคัดเอากินสุราดื่มสุราแล้วขาดสติและสติโรกๆหรอกคาว่าสติสติเราได้ยินมาจนคุ้นเคยความจริงคนในโลกไม่มีสติหรอกสติในความหมาย ของ น, าานัปฏิบัติเนี่ยคือความระลึกได้คือความมีอยู่ของกายของใจตัวเองพกะเรารู้สึกไหมว่าในชีวิตของเราแต่ละวันแต่ละวันที่ผ่านมาเรารู้สึกกายรู้สึกใจของตัวเองเนี้ยน้อยที่สุดเราลืมกายลืมใจตัวเองเนี้ยบ่อยที่สุดเราลืมนานนลสเกิดแต่ตั้งแต่ตื่นนอนนะก็ตื่นนอนเราก็เริ่มคิดแล้วอย่างเราเป็นข้าราชการ ตื่นนอนมาแลันนึกได้ววันนี้วันจันทร์ใจอาจจะเกิดความรู้สึกขี้เกียจใช่ไหมว่าจะเป็นเรื่องอื่นนะแต่ใจเกิดความขี้เกียจเนี่ยมอไม่เห็นไม่ได้ดูวันอังคารเนี่ยขี้เกียจมากเลยวันพุธเนี่ยสดเซ็งวันพฤหัสเนะี่ยเริ่มมีความสุขเนี่ยก็คลาสบองได้ปลาเรื่องยิ้มแล้ววันศุกร์นะมีความสุขมากตื่นนอนขึ้นมาคิดว่าวันนี้วันสุขหรือว่าเป็นลองวีแกนเนะี่ยโอ้ยมีความสุขมากเลย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 เรามีจิตใจกั่เราไม่เคยคิดถึงมันอันนี้เรียกว่าขาดสติเราลองอดใจของเราดูจริงอย่างที่หลวงพ่อบอกไหมวนะันวันหนึ่งนะียเรารู้สึกกายรู้สึกใจน้อยเกินไปเราไม่แต่รู้เรื่องอื่นนะรู้สึ่งอื่นความสนใจของเรา น, นจะออกนอกตลอดเวลาสนใจไปหมดเลยมีข่าวสารบ่ามเมื่อมีข่าวนอกประเทศนะจนไปถึงเขาเขาไปดูดาวตามตัดตาแล้วนะเรารู้ไปหมดนะ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 อาใครไม่รู้จักก็ไม่ใจ้อยบ่าเนี่ยอันนี้แป็นมัจนาธรามไทยนะไม่ยกเว <c oughs> ้นในความเป็นจริงแล้วกเราใจลอยทั้งวันเวลาที่เราใจ้อยแล้วเราไปคิดเรื่องโน้นเรามีคิดเรื่องนี้เราลืมตัเราเองในึกออกไหมเวลาใจลอยเราอยู่คิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้ตลอดเวลาแล้วลืมกายลืมใจเราเองเมื่ไหรลืมกายเมื่อไหร่ลืมใจเมื่อไ ห, หร่ขาดสติวเพราะฉะนั้นทั้งหวานขาดสติ จะเป็นยังไงที่เราต้องมีสติถ้าเราอยากบรรลุถูกจริงๆแล้วเราต้องมีสติถ้าอยากได้มากุลนิพพานจริงๆต้องมีสติถ้าขาดสติเสอ ย, อย่างเดียวเนี่ยอย่ามาพูดเลยเรื่องจะเอามากุลนิพพานสวดมนต์ปาๆแล้วทําบุญใสปาตไปแล้วมาอธิษฐานแล้วนิพพานปัจโยตุไม่ได้หรอกถ้าอยากจะได้มากุลนิพพานจริงๆแลต้องเจริญสติให้ได้ การที่เราจะเจริญสตินะต่องไปรู้สึ ก, กายรู้สึกใจของเราเองไปนะรู้สึกเพื่อว่าวันหนึ่งเราจะเห็นความจริงของกายของใจความจริงของกายของใจคือความเป็นไตรลักษให้เคยได้ยินมำว่าไตรลักษณ์ประเทศมาเยอะและไม่เคยได้ยินนี่อาภัพแล้วนะไตรลักษณ์ก็คือลักษณะความเป็นจริงของสิ่งที่ปรุงแต่งทั้งหลายสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายคือกายใจเรารูปธรรมนามธรรม ท, ทั้งหลายนะี่ ความจริงของม like ันคือไม่เที่ยงความจริงของมันคือทนอยู่ในภาวะใดนหนึ่งไม่ได้อยู่ไม่ได้ตลอดนะอย่างร่างกายเราอยู่อย่างนี้ตลอดไปไม่ได้เดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ตายนี่คือความจริงความจ ร, งจรจิงของจิตใจหรือของร่างกายอีกอันนึงก็คือไม่ใช่ตัวเราคื่อนัตตาไอ้ความจริงก็คืออ น, นิจจังทุกขงังอนัตตาความไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ว่าทุกข์คือทนอยู่ไม่ได้สิ่งใดทนอยู่ไม่ได้สิ่งนั้นดับเกิดว่าดับทั้งสิ้น ที่เกิดระดับแสดงว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนฐานร้อนหรืออนัตตาเนี่ยคือความจริงถ้าเราหัดหนานรู้สึกอยู่ที่ตัวเองหรือว่าเรียนรู้ตัวเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็คือกาย ใ, ใจเนี่ยพูดภาษาไทยง่ายๆพูดภาษาบาลีคือรูปรนามเรีนรู้รูปธรมมามธรรมที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเราเรียนรู้จนกระทั่งเห็นความจริงเห็นความจริงว่าจริงๆแล้วไม่มีตัวเรา ถ้ามันไม่มีตัวเราใครจะทุกข์ล่ะรูปธรรมนามาทําเป็นทุกข์นั้นตัวอยู่ไม่ได้แต่ไม่มีเราก็เป็นทุกข์เังนั้นภาวนาเนี่ยนะการภาวนาการปฏิบัติธรรมเนี่ยจุดหมายปลายทางท้่เราจะถอดทอนความเห็นผิดว่ามีตัวเราสุดท้ายกลายทางที่แท้จริงเลยก็คือเราจะถอดถอนความยึดถือในสิ่งซึ่งเคยเรีนว่าเป็นตัวเรา ถ้าอะไรเราตอบสนอความยึดถือในการในใจได้มันจะไม่ยึดการยึดใจมันจะไม่ยึดอะไรในโลกอีกเพราะสิ่งที่เรายึดถือเป็นตัวเราเหนียวแน่นที่สุดแล้วก็คือกายนี้ใจนี้นั่นเองการที่เรายึดถือกายยึดถือใจว่าเป็นตัวเราเป็นของเรามันมนาความรูม้มาให้เหย่ยนแสนสาหเพราะร่างกายนี้จิตใจนี้ไม่เพี้ยงเป็นรูปเป็นรน่างฐามีได้ความแปลกหวนลังคับไม่ได้เราอยากให้เรามีความสกบการณ์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 แต่เป็นจิตใจที่มีความทุกข์จิตใจที่มีความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปอาจจะเป็นจิตใจที่เฉยๆขึ้นมาจิตใจเฉยๆอยู่ชั่วคราแล้วก็หายไปอาจจะทุกขึ้นมาก็ได้จะสุขขึ้นมาก็ได้นีแปลี่ยนตลอดเวลาเลยไม่มีนะจิตใจที่มีความสุขถาวรของคนในโลกไม่มีมีแต่ความแปลีวนตลอดเวลานี่พวกเราฝ่ายฝันเราอยากมีความสุขถาวรอย่าให้จิตเนี้มีความสุขถาวรจิตมีความสงบถาวร คำ ว, ว่าถานไม่มีแล้วมันจะเปลี่ยนแปลตลอดเวลาถ้าเรายอมรับความจริงตรงนี้ไม่ได้เราตุ้มใจทุกวันไปนั่งสมาธินะพยายามทำสมาธิให้จิตสงบ ก, ก็ดีเหมือนกันดีแบบสมถะจิตนะสงบได้อีกวันเดียวก็ฟุ้งซ่านได้อีกแหละดัง้นถ้าเราอาวนาเราเอาแค่สมถะนะทาความสงบแล้วก็ฟุ้งร้านฟุ้งซางแล้วก็มาทาความสงบ อ, อีกีชาติทวันนอย่างนี้ท่านี้ไม่พอ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 ตอนนี้เราก็เรียบร้อยเราเรีกว่าเราความโกรธเราอยู่ได้นานๆไม่จริงความโลภอยู่นานๆไม่จริงประโยชน์ในขณะขณะอย่างเวลาเราคิดถึงคนอย่างนี้ก็เปิคิดแล้วไอ้นี่ร้ายหดือดเกิดความโกรธเดือดเกิดขึ้นเพราะเราหันไปเห็นคนที่เรารักเดินมาเราลืมคิดถึงไอ้คนที่เราโกรธความวากรธก็ดับไปไอ้แม่ทั้งหายจิตที่โกรธนะโอเคจี๊ด จ, จิตที่มีความสุขก็ไม่เที่ยงจิตที่มีความรักก็ไม่เที่ยงนะจิตท mm ี่ทุกข์ก็ไม่เที่ยงจิตที่ร้อนจิตอย่างนี้มีแต่ของไม่เที่ยงเนี่แหละเราค่อยมาเรียนรู้ความจริงในกายในใจเราเองเรื่อยไปคอยรู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจมีสติรู้สึกกายรู้สึกใจเรื่อยๆเพื่อวันเลยเราจะเห็นความจริงของกายของใจความจริงของมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราคับไม่ได้จริงหรอกสุขก็สุขชั่วคราวนั มันสบายก็สบายชั่วคราวอะไรๆก็ชั่วคราวหมดเลยนะเป็นหนุมเป็นสาวก็ชั่วคราวทุกอย่างในชีวิตนี้ชั่วคราวการที่เราไปมีสตินะเราไปรู้อยู่ที่กายรู้อยู่ที่ใจเนื่องเงือนนืถึวันหนึ่งในจิตมันจะยอมรับความจริงมันจะรับความจริงว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาดับทั้งสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราเนี้เป็นของชั่วคราวอันนี้แหละตัวสําคัญการที่เรามาความรู้สึกกายรู้สึกใจนะ ไม่เกอไม่ลืมมันเคอยดูอย่างที่มันเป็นไปนเรื่อยๆถึงว่าหนึ่งปัญญามันจะเกิดมันจะรู้ความจริงเลยทั้งกายทั้งใจในมีแนตะ่ของไม่เที่ยงของเป็นปุ๊บของไม่ใช่ตัวเราบังคับมันไมได้จริงหอกทุกอย่างมีแต่เกิดแล้วก็กกวกดับไนปะ ท, ทางกายเกิดแล้วก็ดับนะทางจิตเกิดแล้วก็ดับทางกายเกิดแล้วดับเช่นร่างกายที่หายใจออกอยู่ชั่วคราก็หายไปมีใครหายใจออกตลดัดเวลาดี่ไหมไม่มีนะัะหายใจออกตลอดเวลาตัวตา หายใจออกเป็นช่วงกลางก็ต้องหายใจเข้าใช่ไหมหายใจเข้าช <interface S 1> ่วงกลางก็ต้องหายใจออกไร่างกายก็เปลี่ยนตลอดเวลาร่างกายเรานั่งนั่งตลอดเวลาได้ไหมนั่งตลอดเวลาก็ไม่ได้ใช้ยเดี๋ยวก็ต้องลุกขึ้นยืนต้องลงไปนอนะยืนแล้วก็อาจจะลงมานั่งอีกหรือยืนแล้วก็เดินเดินแล้วลงไปนอนมีไหมมีเหมือนหกหลงถ้ากดกระตีเวลาเดินอยู่ก่อนจะนอนก็ต้องต้องหยุดยืนก็แล้วลงมานั่งแล้วค่อยนอน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 แต่นั่งไปไม่มีหรอกใช่ไหเราขยับตัวตลอดเวลาเนี่ยเพรอะไรเราะปุกความทุกข์มับีพันอยู่ตลาดเวลาทำให้เราเข้าเกลียดหยิ่งยาบทไเรื่อยเข้าขยับตัวไปเรื่ยเพื่อหนีความทุกข์เป็นตราๆไปแต่ตลอดเวลาที่ผ่านมาในชีวิตเราอยู่กันมาคนลหลายสิบปีนะบางคนก็เกือบร้อยปีแล้อยู่กันมาตั้งนานเนี่ยร่างกายเราขยับไปเรื่อยเราไม่เคยดูเลยร่างกายมีความทุกข์เราไม่เคยดู มันเมื่อยขึ้นมาว่าก็ขยับอัตโนมัติคันขึ้นมาเราก็กล่าวอัตโนมัติเราไม่เคยเห็นเลยถ้าเรามีสติรู้สึกกายเราเห็นนะกายนี่ถูกความทุกข์เบียดเบียนตลอดเลยไม่ใช่ของดีของวิเศษอย่างที่คิดจิตนะใจก็เหมือนกันนะแปรเปลี่ยนตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายค่อยมีสติตามดูจิตใจลงไปสิ้เห็นกับความแปรเปลี่นตลอดเวลาการที่เห็นสันนสส้นแล้วสั้นีสั้นแล้วสั้นีวันหนึ่งจิตยอมรับความจริงนะนทุกข์ทั้งหมดเลยนะ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 มันมีความรู้สึกว่ามีเราถาวร อ, อยู่ตลอดเวลาถ้าเรามาดูกายหัดดูใจถ้าเรารู้สึกตัวแนะมีสติคอยรู้กายมีสติคอยรู้ใจคอยตามตูไปเรื่อยเจ็นแต่ว่าทุกอย่างเกิดระดับไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนถาวรแม้เพราะนั้นสำคัญมากนะการที่มีสติรู้สึกกายมีสติรู้สึกใจรู้สึกบ่อยๆ อ, อย่าใจลอยอย่าใจลอยพวกเราทั้งหลายมันนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายใจรอยตลอดเวลา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 เราไปวาดภาพการปฏิบตัติเอไว้ว่าต้องเพ่งให้นิ่งเพ่งกายให้นิ่งเพ่งจิตให้นิ่งโดยเฉพาะจิตใจเนี่ยนัปฏิบัติจํานวนมากเลยพยายามบังคับให้มันนิ่งเราต้องการเห็นความจริงของมันซึ่งเป็นไตรลักษณ์มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่เวลาลงมือปฏิบัติเนี่ยแทนที่จะดูว่ามันไม่เที่ยงหรือมันเที่ยงมันสุกขหรือมันทุกข์มันเป็นอนัตตาหรือเป็นอนัตตาดูปวามจิตเราต้องชอบไปบังคับไม่บังคับกายก็บังคับใจ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 นี่อย่างนี้นี่แท น, นที่เราค่อยๆเดินที่เราดัดแปกไปเรียบร้อยแล้วนะเราต้องการเห็นความจริงเพราะฉะนั้นเราอย่าดัดแปลงกลายอย่าดัดแปลงใจหน้าที่เรารู้ลงมาเลยจริงจริงกายเป็นยังไงจริงจริงใจเป็นยังไงคอยรู้สึกเหมือนคอยรู้ไปดูไปดัง น, นั้นอุปสรรคสําคัญของนั้นปะฏิบัติเนี่ยนะมีอยู่สองข้อใหญ่ๆข้อที่หนึ่งขาดสติลืมกายลืมใจ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 ดูกล้างไก่นี้มันทํางานตัวจิตใจนี้มันทํางานถ้าตัวเป็นแค่คนดูไปเรื่อยๆไม่ใช่ไปบัตรับมันจะนิ่งส่วนใหญ่เราจะไปบัตรับพอรู้ลมหายใจแล้วเราส่งจิตไปเกาะนิ่งๆอยู่ที่ลมหายใจเวลาเราจะดูเท้าของังยวะแล้วเราส่งจิตไปเกาะนิ่งๆอยู่ที่ท้องเวลาเราจะเดินจงกรมเราส่งจิตไปเกาะอยู่ที่เท้าะจะรู้อีนี้นะเราปดสีนะเราจิตไปข้างบนนะแล้วก็อกมองลงไป ในร่างกายเย็นเดินหน้นานันรู้สึกว่าเด่จะรู้สึกแบบแข็งแข็งว่าแข็งแข็งทื่อๆการเพ่งกับการรู้นี่ไม่เหมือนกันต้อแยกให้ออกนะคนส่วนใหญ่เนี่ยมันลึมการลืมใจขาสติแต่นักปฏิบัติเนี่ยส่วนใหญ่อะเพ่งกายเพ่งใจไม่ใช่รู้กายรู้ใจหรอกพยายามรู้นะแทนการเพ่งรู้กับเพ่งต่างกันเพ่งเนี่ยมันเริ่มต้นด้วยความอยากก่อนอยากปฏิบัติเพราอยากปฏิบัตินะเช่นเราเคยหัหายใจ พ ย, ยายามปฏิบัติแล้ววิเจ้าลงหายใจไหมจิตเราก็แนบอยู่ลงหายใจแล้วไม่ขยับเลยจิตนิ่งสงบอยู่นะแต่เป็นสมถะกรรมฐา น, นสมถะกรรมฐานมีประโยชน์เป็นข้อดีทําได้ควรจะทำแต่ทําสมถะกรรมฐานอย่างเดียวให้พอ้ไม่เกิดปัญญาจะไม่เห็นความจริงของกายของใจในผู้ปฏิบฏัติส่วนใหญ่จะติดอยู่แค่สมถะไม่พอต้องถอดถอนจิตใจของตัวเองออกมาให้เป็นคนรู้คนดูนะเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมา จะเห็นหน้าร่างกายเนี่ยอยู่ส่วนหนึ่งจิตใจอยู่ส่วนหนึ่งก า, กายใจจะแยกออกจากกันการจะเดินปัญญาเนี่ยจุดตั้งต้นของการเดินปัญญาคือการแยกรูปแยกนามแยกกายแยกใจออกเป็นส่วนๆมันเหมือนอย่างเราต้องการเห็นความจริงของสิ่งที่เรียกว่ารถยนต์เราคิดว่าเรายนินมีอยู่จริงๆเรจาจับมาฝอดเป็นชินช้นๆเรากพ็พบว่าลูกล้อไม่ใช่รถยนต์เห็นไหมวงมาลัยก็ไม่ใช่รถยนต์ ตัวถังก็ไม่ใช่รถยนตและเกียร์ก็ไม่ใช่รถยนต์ถนะังน้ำมันก็ไม่ใช่รถยนต์น เ, รนตเราถอดสิ่งที่เรียกว่ารถยนต์หรอกเป็นชิ้นๆแล้วเราพบว่ารถยนตไม่มีจริงรถยนตเป็นภาพโลกตางนี่เรากำลังจะมาถอดสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นชิ้นๆอย่างตอนเรามาเป็นขันห้าเราเป็นธาตุเราเป็นอยนายุรสะแล้วแต่ถนาัดนะ ท, ทั่วไปที่เรียนกันเรื่องถอดออกมาเป็นขันห้าหรือรูปกั น, นามกายใจถ้ายอ่อ วิธีที่จะเราจะปฏิบัติทำวิธีที่จะเดินกันอย่างแล้วเราค่อยๆรู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกตัวใ่ใจรอยพอรู้สึกตัวขึ้นมาเราค่อยดูลงไปที่กายเราเห็นในร่างกายที่กําลังหายใจอยู่เยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าร่างกายที่หายใจอยู่นี้จิตเป็นคนไปรู้มันร่างกายที่ยืนอยู่ที่นั่งอยู่จิตเป็นคนไปรู้มันค่อยๆหักแยกเนี้ยถึงจนเงินนะเราจะสามารถแยกได้ละร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งนะจิตอยู่ส่วนหนึ่งกล้กับจิตนี้เป็นคนละไม่ใช่อันเดียวกัน ของเราเนี่ยกายและจิตมันรวมเป็นก้อนเดียวกันนะถ้าทำสมาธิก็ย่งเป็นก้อนเดียวกันมาักขีกหรืออย่างมากที่สุดนะร่างกายหายไปก็แต่จิตอันเดียวไม่เดินปัญญาสองว่างๆสบายอยู่ น, นี่แต่ถ้าอยากเดินปัญญาอยากได้มาผลนิพพานมาผลนิพพานเนี่ยถ้าไม่เดินปัญญาแนละไม่ทํำวิปัสสนาไม่มีวันที่จะถึงไม่มีวันบรรลุถึงได้เลยแล้วถ้าอยากได้มาผลนิพพานจริงๆนะค่อยๆหักแยกกายแยกใจเราเอง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 ตอนนี้คนที่เรียนตกพ่อแล้วแยกตัวนี้ได้นะนับจำนวนไว้ทั่วไม่รู้ว่ากี่พันกี่หมื่นคนทำได้อย่างนี้ยยเยอะแยะไปหมดเลยที่เราทำไม่ได้เพราะเราไม่เคยถึงเวลาเราต้องแยกเราคิดแต่ว่าเราทำบุญไปไหว้พระสวดมนต์ไปใส่บาตรไปนั่งรประทานที่ศาลไปแล้วมันเนึ่จะได้ไม่ได้หรอกคนละเรื่องกันถ้าอยากได้มากกว น, นี้ผ่านจริงๆนั่นมหม า, ายถึงแยกายแยกใจเองเหมือนมาต่อเรื่องวหน่อเป็นชิ้นๆนวเพื่อวันหนึ่งจะเด็กนั้นรถยนต์ไม่หม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 ที่เราแยกได้สามขันนะนะขันแรกคือร่างกายและรูกรประขันจิตของเราเรียกวิญญาณขันความปวดความเมื่อเรียกเวทนาขันแยกขันห้นานะพอเวลาเราปวดเราเมื่อยขึ้นมาใจเราแชกกระแสสะสายอยากเป็ี่นวิธียาปวความกระแสสะสายของจิตความอยากเป็ียนวิธียาปวเป็นสิ่งที่แปลกหลอขึ้นมาทีลังอีกแล้วตอนมันเกิดกระแสสะสายขึ้มนมาเราค่อยดูลงไปความกระแสสะสายก็เป็นสิ่งที่จิตจะรู้เข้าความกระแสสะสายก็ไม่ใช่จิต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 ถ้าจิตเราตั้งมั่นอยู่เป็นผู้รู้ผู้ดูพอป็นปวดเมื่อยขึ้นมาจิตกระสับกระสายผู้ล้อนผูร่ายขึ้นมาเราจะเห็นเลยความกระสับกระสายผู้ลงทุผูร่ายก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้ไม่ใช่จิตเลยไม่ใช่ตัวเราเนะี่ยค่อยฝึกนะค่อยฝึกแยกขันมาไปแนละ้วขันแต่ละขันมันจะแสดงให้เห็นเลยมันไม่ใช่ตัวเราเรื่องการเดินปัญญาแนละ้วมันหนีไม่พ้นการแยกรูกแยกนามแบบเนี้ยนะอันนี้เป็นพื้นพื้ๆเลยนะบางคนไปแยกเป็นอายตนะตาหูจมูนกนาจใจอก็ได้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 สีเนี่ยนั้นทไปเพื่อรักการทาาําบาปมังคุษฎอหยาบหยาบทางกายทางวาจาสมาธิเนี่ยทําไปเพื่อรักความฟุ้งซ่านวุ่นวายทาจิตส่วนปัญญาเนี่ยรักความเห็นผิดรักความเห็นผิดเมื่อไหรนี้ใจนี้เป็นเรามีเราอยู่จริงๆเพราะจับมันแยกเป็นส่วนๆแล้วเราะว่าตัวเราหายไปมันเล่าจับแล้จนมันแยกเป็นชิ้นๆพล้วจนก็หายไปพอถึงตรงนี้เราจะเห็นความจริงว่าตัวเราไม่มี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 ทั้งๆ ท, ที่ตัวเราไม่มีนะแต่ปทีจิตมันก็มีปวามอยากขึ้นมามีความยึดขึ้นมาเมื่อไรอยากเมื่อไรยึดเมื่อนั้นทุกเมื่อไรไม่อยากเมื่อไรไม่ยึดเมื่อนั้นไม่ทุกถ้านะจิตมีปัาญญานี้นะจิตจะไม่แสบสายออกไปทางตาหูจกลิ้กายไม่เที่ยวอยว่ารมณนะ์จิตจะตั้งมั่นเป็นหนึ่งอยู่อย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนโดยไม่ต้องรักษาเลยมีสมาธิบริบูรณ์นะเพราะมีปัญญาปานกลางอันนี้เป็นภูมิธรรมของพรอาคมีดันั้นเราพาวนากลับไปอีกจนมันเจะเห็นความจิ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 จิตเมื่อาไปยึดถือเพราะฉะนั้นไม่ว่าขันจะแตกขันจะดับแล้วขันจะเสื่อมสูญแตกสลายยางนะังไงเนี่ยจิตไม่ทุกข์ด้วยเลยเฉพานทุกข์สิ้นเฉลิมตรงนี้เมื่อไรเราไม่ยึดถือกายยึดถือใจนะไม่ยึดถือขันไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกเราจะไม่ทุกข์เราทุกข์เพรเราหยุดพระเจ้าทรงบอกเลยถ้าเรามีนาเรายึดนาเราทุกข์เพราะนากลัวคนอื่นเข้ามารุกนาเรามีวัวก็ทุกข์เพราะวัวนะกลัวคนมาขโมยมีรถยนก็กลัวคนมาเอาไป มีบ้านก็กลัวไฟไหม้กลัวเลือกขึ้นนะมีอะไรก็ทุกข์พระนะั้นมีร่างกายก็ทุกข์เพราะร่างกายนะมีลูกก็ทุกข์ระูกนะมีสามีก็ทุกข์เพราะสามีมีอะไรก็ทุกข์เพาะนะั้นแต่ถ้าปล่อยวางแล้วไม่มีอะไรนะคืนให้โลกไปความทุกข์จะอยู่ที่ไหนความทุกข์ก็อยู่กับโลกไม่เกี่ยวกับเรานะแะน้นพวกเรานะบุญนัหนาเราเกิดมาในแผ่นตินที่พระพุทธศาสนายังดำรงอยู่เรามีพระมหากษัตริย์ที่มี คุณนะครับนี่เรามีสิ่งที่ดีที่พิเศษหลายอย่างประเทศอื่นเขาไม่มีอย่างเราพวกเราถือว่าพวกเราทุกคนนะที่เกิดมาในแผ่นดินนี้เป็นคนมีบุญนะนี่เรามีบุญและเรามีโอกาสได้ฟังธรรมะเรือยู่อย่างเดียวเอาไปปฏิบัติให้สมควรแก่ธรรมะธรรมะนั้นเอาไปฟังเลื่อยๆไม่ได้ประโยชน์อะไรแเพราะคนฟังมาทั้งหลายปีแล้วถาว่าได้อะไรบ้าสบายใจหรือได้วุ่นงาน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 ครบาอาจารย์มาองท่านสอนง่ายๆท่านบอกให้มีสติรักษาจิตเให้รู้รู้ทันจิตเองไปเวลาที่กิเลสเนี่ยเกิดขึ้ที่จิตถ้าเรารู้ไม่ทันนะกิเลสครอบงำจิตได้ถึงจะมีโอกา ส, าสทํากิเลสเสียงคนทํากิดลสเสียงได้เพราะกิเลสครอบงำจิตถ้ากิเลสไม่ครอบงำจิตจะทํากิดลสเสียงไม่ได้นะอย่าความโกรธเกิดขึ้นความโกรธครอบงำจิตได้เราถึงไปฆ่าเขาได้ถึงไปด่าก็ได้ถึงไปตีก็ได้ความโลภเกิดขึ้น คามโลกครอบนำจิตขึ้นไปขโมยก็ได้เป็นชั่วเขาได้หรือไปโคกหกหลอกลวงเข า, าได้เราผิดศีลขึ้นมาก็เราถูกกิเลสึกกันครอบนำจิตเอาแต่ถ้าเราคอยรู้ทานจิตใจของตัวเองนะคอยรู้ทานจิตตัวงบ่อยๆจิตขยับไปเยืะแค่นไหวจิตสุขจิตทุกข์จิต ด, ดีจิตชัว่วไปรู้ทันเรื่อยกิเลสเกิดขึ้นม า, าเพรารู้ทันนะกิเลสจะดับการดีดับเอง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 สิ่งที่เกิดขึ้นเองมัจะเกิดความละอายใจเพื่อายที่จะทําชั่วเกรียดกลัวคนของบาปเราได้ยินคําว่าดีดีอตปาดีดีอตปามามาจากที่เรามีสติรู้ทันใจของเราเนี่ยเรารู้ทานในเหตุกิเลสเกิดขึ้นะนะเราละอายแกใจตัวเองเลยที่จะทําความชั่วมันอายตัวเองแล้วสิมันจะนเกิดขึ้นกับตราไหมแล้วถ้าใจเราคงสร้นไปเรามีสติรู้ทันจิตใจมันฟุ้งร้าง คิดไปในทางการบ้างอยากโ้นอยากนี่นคิดไปในทางพยาบาทเบียดเบียนทำร้ายคนันนี้ไปเราม่สติควารู้ทันลงไปหรือสงสัยสงสัยในพัฒนาใจสงสัยไปเรื่อยเรามีสติรู้ทัลงไปกิเลสพวกนี้ดับไปกิเลสพวกนี้เป็นกิเลสระดับกลางหรือวันนิวรมีห้าตัวนะไปหารอยถ้าเรามีสติรู้ทันนิวรนมิวร์ดับไปสมาธิจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ตัวนิฮอนเป็นศัตรูของสมาธิแล้วเรามีสติรู้ทันจิตแล้วก็มีศีลนะมีสติรู้ทันจิตใจตัวเองแล้วก็จะเกิดสมาธิใจจะตั้งมั่นขึ้นมนะมีสติรู้ทันจิตใจตัวเองไปเรื่อยๆจะเห็นว่าจิตนะทุกชนิด น, นะทิ่ที่สุขจิตที่ทุกขจิตที่ดีที่ร้ายเกิดระดับต่างๆอันนี้คือปัจจัยแล้วเราฝึกไปเรืนะ่อยๆศีลสมาธิปั ญ, ญาเราจะแก่รอบ้นเรื่อยๆถึงว่าเรื่องวิมุตต์ก็จะเกิดขึ้นความเบื่อพ้นจะเกิดขึ้น ยังมาขอวิมุตินะขอกันไม่ได้โต้คงทำด้วยตัวเองนั่นเรียนนะฟังธรรมาแล้วต้องไปทํานะมีสตริรู้รู้ทันใจของตัวเองนี้บ่อ ย, ยๆเป็นวิธีแต่มาฐานที่ง่ายที่สุดรู้จะ ง, ง่ายยังไงละ่ะต่เป็นโกรธขึ้นมาก็รู้ใจเปนโลภขึ้นมาก็รู้ใจเป็นดีใจเสียใจใจเส็นโศกใจเป็นทุกข์คอรู้ทันใจของตัวเองเรื่อยๆอย่าไปยุ่กับมันอย่าไปแทรกแซงเราแค่รู้นะสีสมาธิปัญญาจะค่อยๆแก่รอบขึ้นมาถึงวันหนึมันแก่รอบควสมควรแล้ววิมุติ ก็จะเกิดขึ้นเองนี่มันคือความหลุดพ้นจิตมาหลุดพ้นจาอาสวะกิเ็สที่มันย้อมใจเราได้กิเลสย้อมไม่ได้อีกต่อไปเแี้วจิตมาหลุดพ้นจะอาสวะนะค่อยฝึกไปนะฝึกไปฟังธรรมมาพอสมควรมีเวลาเล็กน้อยใครอยากคุยกับหลวงพ่ชวนใครจะถามเชวนขอคนในวันนี้ก่อนได้ไ้ย รู้สึกพวกพี่ยกอือนะครับเป็นพวกพี่คุ้นหน้ามากเลยประเภทแฟนคลับขอเชิญครับเจ้าเจ้าหน้าที่ผูของสำนักครับ้ท่นนานแต่มีคำถามข อ, ขอเชิญครับลอกให้คนนอกาก่อนก็ไดนะ้เห็นเป็นตัวอย่างเรื่อง อ, กกองไรนะได้ชักสิบคน มาสิคถามรัชมีคำถามาเชิญรเชิญเล ย, อ, อ, ยองรู้เลยเอาแล้แหลที่กำ ล, ลังยกม้อาคุนมาสกกพ่อครับางา า, าแก่แล้ว <c oughs> ตืว่นวนมสันการงพ่อครับผมมีปัญห า, อาขอกราบเชิญามพอว่าประเด็นอะต้องใหมแ่แก่ผ ม, ผมได้ฟังทีวหลวงพอ่อมาประมาณ10ปีแต่ว่าในการปฏิบัติ เรียนบ้างหายบ้างปฏิบัติบ้างไม่ปฏิบัติบ้างก็พอแต่ว่าสองปีมานี้ที่ได้ฟังทีทีโ อ, อ่กมีคำถามที่ถามพ่อประมาศสาม3ำ่ามนะครับคาถามแรกคือขณดที่ดูจิตกับดูกายใช่มคือมีความรู้สึกว่าบาครั้งเราเห็นการที่มันเป็นทุกข์อย่างเช่นฟังซีดียมงพ่อครั้งแรกหรนว่า ขณะที่เราหายใจการที่มันเคลื่นใจเห็นกายที่มันขยับเห็นกายที่มันมีความรู้สึกว่าเป็นทุกเพราะนั้นเป็นส่วนหนึ่งอีกครั้งหนึงที่ปฏิบัติไปยืนเขวนแขนหรือเดินไปจะเห็นแวบหนึ่งที่กายมันแยกออกจากกันแล้วตอนมันแยกออกแล้วขณะสมถมันที่ผ่านมาเราเพิ่งเขาสัมมนาก็มีความรู้สึกว่าเห็นการขยับเห็นการสนเมื่อเห็นความเบียทุก อืมครับแล้วคำถามนึ่งก็คือสิ่งที่ปฏิบัติมาจะให้สุจริตเนี่ยตอ่คนดูได้ไหมนดูกลายไปไหนเห็นแม้ร่างกายเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูนะร่ากายไม่ใช่ตัวเราแล้วกายเหมือนกุญยยนต์ตัวหนึ่งเส้นใยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตัวอย่างนี้เรื่อยๆไปจะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราจิตเป็นคนดูแล้วจิตเองบางทีก็รู้ตัวอยู่ใช่ไหมบางทีก็หลงไปนึ่ออกไหมบางทีก็หลืดตัวบางทีก็รู้สึกตัว แล้วเราก็คายรู้ทันนะเนีย่ยอนที่จิตนี้ไปคิดแล้วทราบไหมครับจิตนี้ไปคิดรู้ทัแล้วจิตนีคิดเนี่นี้ไปคิดอีกแล้วทราบไหมครับเป็นดูไกายน ะ, ะดูกายแล้วจะเห็นจิตชัดแล้วไอ้สิ่งที่เราบอกไปมันเหน็นความเป็นทุกข์เป็นการพูดเองหรือว่าจิตมันเห จ, จ, จริงจมเห็นจรงจริงๆๆนะแต่อยาเห็นไม่พอถ้าเห็นพอเราจะได้ธรรมะแลสมุดสั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 ลูกชายเนี่ยยังทําการบ้านไม่เสร็จแล้วทําให้ไปโรงเรียนสายก็เกิดความโลรธความโกรธนี่ยมันแน่นจี้ขึ้นมาเลยนะครับก็ก็จะเห็นตรงนั้นทุกวันเนี่ยก็จะปฏิบัติอย่างนี้ก็ <S <S 2> <S 2> คือเวลามันเกิดขึ้นเราก็ออันนึงที่หลวงพ่อบอกก็คือว่าใ ห, ให้ให้เก็บมือไว้ครับแล้ให้ดูดูมันไปแล้วก็ก็จะบอกตัวเองว่ า, าช่างมันเดี๋ยวดูมันไปเรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวมันก็ก็เป็นมันก็จเกิดความรูว่าพอ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 เอะไรเกิดขึ้นเราก็ทุกข์บ้างกันนะภาวนาทำอย่างนั้นแหละ<า>แต่ต้องแยกกันบอกนะอะไรเกิดขึ้นในจิตใจของเราเนี่ยสับว่ารู้สับว่าเห็นตามรู้ตามตื่เฉยๆไม่เข้าไปแทรกแแต่ลูกไม่ทํากั น, นกว่าเนี่ยสับว่รู้ว่าเห็นไม่ได้นะ่ะคนละเรื่องกันนะคร ต, ต้องหาทางให้ทำกันบ้าแต่ในส่วนของจิตใจเราเนียรู้ทัน ที่คนฝีใช้ได้นะใจมันโลงร่งเบาเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาเขาพูดนะแต่เลยโลงไปเลยตอนนี้การกล่าวโดยรัชการค่ะลุพ่อก็หนูหนูก็จะไปกล่าวหลวงพ่อที่สวนสันติธรรมศพนันบ้านหลายครั้งแล้วที่จะบอกว่าหนูมาจากเชียงใหม่นะคะแล้วก็ใครนี้ก็ขอส่งคันบ้านช่วงนี้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 การทำในรูปแบบก็คือการเพิ่มตลังของสมาธิเ่นค่ะฉันทุกวันไว้พรสวมนต์นั่งสมาธิเดินโยกลงนะการเดนทางานเดินจิบนทางานคืออย่างนี้ทุกวันทุกวันจะได้มีแรงจ้แรงน้อยเกินไปอ๋อค่ะได้แตุ่งหน้าขาุงมัเรปัญญาไม่ได้จริงหรออ๋อค่ะได้ค่ะแลป้าหน้าค่ะหลวพ่อคะเดี๋ยวขอให้คุณแม่ตง การบ้านจริงๆนะคะพอดีว่าต้องไปถามคนที่เขาจัดนะอ๋ค่ะขอใท่านหนึ่งได้ไหมคะไหนคุณแม่อยู่ไหนล่ะคุณแม่ตื่นเต้นไหมการรัประการนิของพ่อก็คือเอ่อโยงปกติก็ปฏิบัติธรรมอยู่แต่ว่าคือจะไม่ค่อยจะแบบเอ่อได้เต้น ได้ <c ười> <S <S <est> ่ไ <t od IS> ้คะไทำงนี้ค่อยๆให้กันบ้านให้ฟังซีดีหลวงพ่อบ่อยๆนะเพราะว่าแล้วก็อย่าไปเคร่งจิตให้นิ่งนะคะเพราะปกติตัวเองจะชอบสมถนามาและแหลกที่ติดและนั้นแหละแล้วก็ช่วงนี้ก็พยายามที่จะโยงนี่จะเดินสายของหลวงพ่อพุทโธมากกว่าก็เลยแบบ จะนิ่งนิ่งนิงนิ่งนิ่งเลยค่ะนิ่งจนแบบผ่ะผู้โธผู้โธต่อแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่เคยแบบว่านั่งจนตั้งมนรู้สึกไหมตอนนี้จิตเป็นยังไงรู้ค่ะรู้ว่าหุึ่งวันนี้ได้มาน ตรงนี้แล้วก็ไม่ใช่รู้อย่างนั้นรู้จัยยาคะรู้ว่าวันนี้ขึ้นมาปูผ่ผีใครๆ ก, ก็รู้คนปฏิบัติเขาก็รู้นะรู้ว่าตัวเองเนี่ยกำลังพูดอยู่ใช่ไหมจ๊ะคะตัวเลังพูดอยู่ก็ยังไม่ใช่วิปันสนาอืม <Okay. S 1> เพราะอย่างนั้นหาก็จะถามหลวงพ่อว่าอย่างที่อันนี้คือตัวเองเนี่ยค่ะเวลาวันนั้นวันพีวันหนึ่งนะคะคือ แบบดูตัวเองแล้วทีนี้พอมันแป๊บหนึ่งคือวัน น, านาั้นเรมแบบว่าเอ่อถ้วยที่ล้างอยู่เนี่ยค่ะมันตกแตกปุ๊บเนี่ยฮะทีนี้เราก็แบบแปบบ๊แบหบนึ่งขึ้นมาบอกว่าโอ้มันก็เหมือนว่าสังขารของคนเรานี่มันก็เป็นเหมือนถ้วยนะเนี่ยนะและ้วทีนี้มันก็วัาขึ้นมาแล้วก็ทีนี้รู้สึกว่านี่โยม หลวงพ่อให้กันบ้านดีกว่าอันนี้ก็คือจะถามว่ามันเป็นอะไรให้กันบ้านนะค่ะพุทโธไว้แล้วรู้ทันจิตไปพุทโธพุทโธพุทโธนะพอจิตฟุ้งร้างจิตแอบไปคิดเนี่ยรู้ให้ไหวๆหวไวไวขึ้นใช่ไหมคะเจะไปฝึกให้รู้ไหวไหเวลาจิตแอบไปคิดนั้วพุทโธพุทโธพุทโธนะจิตนี้ไปคิดแวะรู้ทันพุทโธพุทโธจิตนี้ไปคิดแวะรู้ทันฝึกอย่างนี้ไปบ่อยนะค่ะให้คนอื่นบ้าน ใหับมตุนะไปำนะไม่งั้นไม่ไหวดอกแล้วคุณครให้จิตนิ่งนะความก็เลิกกดเมื่อไหร่จะฟุ้งจะจะฟุ้งกว่าคนทั่วไปการนันทศการพร้อมกันผมได้ปฏิบัติโดยการส่วนใหญ่แล้เป็นครูบาอาจารย์ที่อยู่ในหนังสือเป็นส่วนใหญ่ครับและครั้งสุดท้าย ประมาณสี่เดือนสุดท้ายครูบาอาารก็อยู่ในซีดีนะครับคือหลวงพอ่อเขปฏิบัติโดยดูกายดูเมตตาบ้างดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นบ้างก็เห็นคือมันนี้ตั้งใจยาวกันบ้างส่งหลวงพ่อครับอยากจะทราบว่ามันจะปฏิ บ, บั ต, ติต่อไปอย่างไรดูต่อไปได้จะไปประคองใจให้นิ่ง นะยังตอนที <Laure en> dungeon, ่กดเอาไว้ด hmm? ูออกไหมยังไปกดเหมืมันมันมันสั่นมันจริงครับร่างกายสั่นถ้างกายเป็นสั่นดูเงินไปร่างกายที่สั่นอยู่ไม่ใช่ตัวเราเป็นร่างกายเป็สั่นไปเห็นจิตที่ตื่นเต้นเห็นไหมจิตมันตื่นเต้นได้เองมันไม่ใช่เราหรอกเราสัมันไม่ได้คอยรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจบ่อยๆนะจิตแอบเป็นคิดสักไหม ครับครัยคิดไม่เร็วหรอกนะรู้ทันนะเวลาจิตมันไหลไปคิดนะรู้บ่อยๆแล้วสติมันจะเกิดเร็วขึ้นเร็วขึ้นเวลาจิตมันไหลไปคิดเราจะลืมการเลืมใจพอ ร, รู้ทันว่ามันไหลไปคิดเราจะตื่นขึ้นมาอย่าหลงไปคิดอีกแล้วทราบไหมครับครับไปเห็ว่านะต้องไปฝึกต่อนะสึกรับ มรดการหลวงพ่อค่ะพอดีหนู่พิ่งก็เคยมาฟังท่านครั้งแรกนะคะแล้วก็ปกติก็ไม่ค่อยได้นั่งสมาธิอื่นที่ว่าถ้าเกิดสําหรับคนในหม่ๆที่จะเริ่มยังควรจะเริ่มโดยการนั่งสมาธิก่อนหรือว่าดูจิตก่อนค่ะดูจิตเลก่อนของคุณจริตนใสัเนี่ยแค่ไปนั่งสมาธิมันไม่สงบหร อ, <ะ>อกค่ะเพราะตอนนิสัใจคอแล้วเป็นคนช่างคิดนะี่คิดไม่เลิกเพราะฉะนั้นโอกาสที่ว่าจะนั่งให้จิตสงบแล้วมาเดินปัญญาเนี่ยมันมีน้อย นะวันวันหนึ่งมีเรื่องที่ต้องคิดมากมายต่อไปนี้สังเกตใจตัวเองคิดอันนี้ไปใจิตใจมีความสุขขึ้นมารู้ทันคิดไปเรื่องนี้ใจิตใจมีความทุกข์ขึ้นมารู้ทันรู้ทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นของตัวเองนะคิดเรื่องนี้จะนา่าโกรธรู้ทันว่าใจกําลังโกรธอยู่รู้ทันจิตตัวเองนี้บ่อ ย, อยๆไม่เข้าไปแทรกแซงนะแล้วถึงวันหนึ่งจะค่อยมาฝึกสมาธิจะฝึกง่ายนะใช้ปัญญานําไปก่อน พอเรารู้ทังจิตที่ฟุ้งซ่านรู้ทังจิตที่หลงไปรู้ทังจิตที่โกรธไปอะไรเงี้ยรู้บ่อยๆนะจิตจะเริ่มสงบพอจิตสงบแล้วน่ะเราค่อยมาทำควาสมสงบกีหลังก็ได้นะใช้ปัญญามาเป็นก่อนแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกนะอย่างคขาคุณจะเริ่มจากสมาธิจิตมันไม่สงกง่ายหรอก้าอย่างวัดนึงนะอย่างเมื่อกี้หนูนัง่งน่งฟังเนี่ยนหนูก็หลับตาแล้วก็ เ, เหมือนกับท่าน ฟังอาจารย์ก็ยังฟังอยู่แต่เันเหมือนเคร์ฟเคิรอย่างเงี้ยค่ะแต่เรารู้ว่ า, ออามันเคิร์ฟเคิรอย่างนี้นเรียกว่าบุจจตหรือเปล่าครับแต่ว็นัี้เาได้ยินถูกเนี่ยก็วันหลักไแล้วยังได้ยินได้ไวเทาได้ย <c> ัง <oughs> <c oughs> <c oughs> รู้สึกตัวบ่อยๆนะยังแล้วไม่ดีเลยถัดไปมีไหมแตงกวากนัานเจีค่ะ การรักษาของพ่อนะครับที่ว่าพี่กุ๊บก็กำลัรียนอยู่แล้วก็ทำกิจกรรมมากมากเป็นคนชาติจะปวดใจแน่อย่าลมนะมีหน้าที่เรียนนะไม่ใช่หน้าที่กิจกรรมบริการไวเรื่อยๆนะพยาพุทโทวุทโทไปก็ได้นะปัจจัยเราเลี้ยงหลวงปูนมาง่ายมันจะซึมง่ายดูออกไหม ให้เราพุโทธโทธพุทโธพุทไปนะอใจดีพิชิตรู้ทันพุทโธพุทโใจดีพิชิตรู้ทันนะให้จิตใจเนี่ตั้งมั่นอยู่ระเนรตัวขึ้นมานะการเรียนก็จะดีขึ้นรยรู้ทันใจที่มันวิ่งไปแต่ชงิงต ล, ลาดเดียร์ในเห็นี้าจิตใจก็วิ่งไปที่ห ล, ออลวอเร็วเี้ยนใจอยากพูดรู้สึกนะัหมมันมีความอยากดันขึ้นเลหนะบอกปัญหาเกิด น, น้นแต สติรู้ทันจะขาดไปให้รู้ทันจิตใจตัวเองไปแต่ว่ารู้ว่าในสอนพุทโธพุทโธพุทโธไปนะพุทโธเราก็รู้ทันจิตพุทโธเราก็รู้ทันจิตให้ฝึกอย่างนี้นะแล้วเวลหายใจเอาจิตไปเนี่ยไปทำจิตแนบลมหายใจนะมันจะเจ้าใส่ลมจะเจ้าอย่างส่วนเวลารู้ลมนะจิตจะเคลื่อนดีอยู่ที่ลมนิ่งอยู่กับลม อันนี้ได้แต่สวัสดิ์แต่ถ้าเราเห็นร่างกา ย, ไ, ยไม้ไหลใจจิตไม่ไปอยู่ที่ลมหายใจนะจิตรู้ตัวทั้งตัวรู้ตัวรอบรู้อย่างสบา ย, บายเห็นร่างกายทั้งตัวเลยเนี่ยงนี้ถึงร่างกายไม่ไหลใจจิตเป็นแค่คนดูจิตอยู่ตาหาอันนี้จิตจะตั้งมันขึ้นมาเป็นผูน้รู้ผู้ดูได้แต่ถ้าจิตไหลไปอยู่บนลมหายใจได้แต่เคลิ้ๆลงไม่คิดแลทราบไหมเนี่ยใครรู้ทันอย่างนี้นะจิตหลบไปแล้วรวยไว้อ่าไป น้มาสกัญญหลวพ่อค่ะคดิเป็นโยมเดินสู้ปฏิบัติใหม่ ย, ยาให้หลวงแนะนําว่<อ>าพร <จะ S 1> คุณนสะไหวร่างกายนะกระดูกกรดกไอย่านั่งนิ่งๆนั่งนิ่งแล้วจะเท่งเอาเท่งเอานะพยายามเดินพยายามทำงานปวดบ้านปวดบ้า น, านอะไรเงี้ยร่างกายเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆนะีเดนได้ร็วถ้าไปเกิดไปนั่งสมาธิเฉยๆก็ไปเครดเรียดออกา โยมก่อนต้องสากการะหลวงพ่อครับหลวพี่ก็ได้สกามโยมได้ฟังซีดีจากท่อาจารย์นะคะได้ฟังมาห้าาเกอแล้วก็ฟังมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีอยู่วันนึงโยมนั่งงฝปผมรู้สึกว่าวันนั้นโยมได้เห็นแับหนึ่งว่ามันเป็นอย่างนี้ความรู้สึกตัวอะไรนะคบแต่ว่ายโยมเห็นแค่นิดเดียวนะคะโยมจะอยากเห็นนะถ้าเราอยากเห็นอีกมันจะไม่เห็นนะ แ้่ว่าฝึกของเราได้ฟังซีดีไปได้นนะจิตของโยมก็เริ่มตื่ขึ้นรู้สึกไว้มันเหมือนเรับตืน่นขึ้นมาถึีงๆแตงค่อยๆตื่นขึ้นไปยังตื่นอยู่ใช่ได้นะขอบคุณไปางซีบีก่อนก่อนนะซีดีก่อจะแจกฟรีด้วยอันนี้ไม่ได้พกแจกะน ะ, กะเป็ดนดาวโหลดฟังเราเองไม่มีขายอาเชิญการนมัสการหลวงพ่อ อยากจะกลับยัถามหลวงพ่อว่าบางทีช่วงที่กะผมเคยเคยนอนฝันครับฝันนั้นปรากฏ ว, ว่าสิ่งที่เราฝันมกักจะมกัะะกเรเหมือนกับจะรลงมาใรลวงหน้าแต่ว่าจะปรากฏในความฝันสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรประจิตเนี่ยมันเป็นธรรมชาติรู้นะประจิตเป็นผู้รู้ทีมันกรู้อดีตรู้อนะาคตนี่เป็นเรื่องปรปิศน์บางคนก็เป็น เ, เป็นเรื่องปรปิศนะ์นะแต่ที่สําคัญกว่านั้นเนองค์อันนั้นมันเป็นของแถมของจริง ให้รู้ความเปลี่ยนแปลงในการในใจไปเรื่อยๆเราจะได้ของจริงในมันนึ่งต้นหน้า <Okay. S 1> แต่ถ้าเาพเราประคองจิตให้นิ่งจิตมีความสุขมีความสงบเฉยๆก็ได้สมถรถก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่าปัญญาจะเกิดยากของท่านนั้นดูกายแล้วก็อย่อยู่เฉยๆดูกาย ทีละส่วนทีละส่วนใจโฟมคนเล็กตั้งนั่งเมื่อในกระดูกเลยไรน่ดูไปไม่มีตัวเราในกายแต่ละส่วนแต่ละส่วนไล่ขึ้นไล่ลงไล่ขึ้นไล่ลงอย่งนี่บ่อยๆจิตมันจะถอยออกมาจากก <Yeah. S 1> ารที่ตั้งมั่นสงบอยู่นิ่งๆออกมาทํางานจะมาเห็นความจริงของกาอยอยบ่อยๆนถ้าเราดูนะเราเราเนี่ยเราจิตกับเราเราไปนะดูซิผมผมเป็นตัวเราให้เราสัมผัสดูเลยนะ คนผลลัพธปัญหาได้ไล่ขึ้นไล่ลงอยู่ในร่างกายอย่าให้จิตสงบอยู่เฉยๆจิตสงบอยู่เฉยๆได้แต่สมถะให้จิตออกมาเดินปัญญาคนวิาพิจารณาอยู่ในกายบ้ต่อไปจิตมันจะเคลื่อนไหวแล้วสติมันจะระลึกได้ในตอนนี้จิตเป็นคิดสั้นๆจิตเป็นไหลที่คิดแล้วก็รู้ทันอะไรลที่คิดคอยรู้สึกคอยรู้สึกอยู่ที่กายคอยรู้สึกอยู่ที่ใจรู้สึกหมดไปเมื่อวานเดินปัญญาจบเกิด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 พระพุทธเจ้าสอนหลักของการปฏิบัติที่สําคัญเลยคือให้รู้ทุกบอกทุกให้รู้สิ่งที่ทุกก็คืออุปาทานขันขันที่เรามีอยู่นี่แหละเรียกว่าอุปาทานขันหน้าที่เรารู้ก็บ่อยๆดูไปด้วยอยจนเห็นเนยมันมีแต่ทุกข์รนร้อเลยในการในใจจิตจึงจะหยอปล่อยหวากก็เห็นแต่ความเป็นจริงเห็นทุกข์และจิตจึงเบื่อหน่ายก็เบื่อหน่ายจึงคลายกาหนัดคือคลายความยึดถือก็ครายกำหนัดจึงหลุดพ้นถ้าเราไปเห็นทุก เราภอวนาแล้วเราเหลือแต่ความสุขอันเดียวแล้วเราจะไม่พผลหรอกท่านเดินปัญญาให้ยึดเลยนะสมาธิท่านดีอยู่แล้วมีไหมมีเวลาห้าหกนาทีธรรมสถานพระอาจารย์ครับราาผมก็เคยได้รับฟังสีดีของพระอาจารย์แล้วก็พยายามที่จะปฏิบัติตามแวมานวทางะครับทีนี้ว่าก็จะมีพระคุณเจ้าอีกหลหลายท่านแล้วก็ การธรรมชาติของปวสุปัสิกาที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องของการแยกสมถะกับวิปัสนาอยากให้อาจารย์อธิบายสักหน่อยครับาอบคุณครับสมถะกับวิปัสนาเป็นของที่มีประโยชน์พระพุทธเจ้าเคยสอนนบอกว่าสิ่งที่ควรทําคือสมถะและวิปัสนาสิ่งที่ควรทําด้วยปัญญาอันยิ่งคือสมถาและวิปัสนามีคําว่าปัญญาอันยิ่งหมายถึงว mm ่าอะไรหมายถึงว่า เราจะทำอะไรจะทำเพื่ออะไรจะทำอย่างไรเระหว่างทำไม่ลงไม่เบือไปทำออื่นเสียกมีสังคัสเชิงยะกรรมกลับอื่นั่นเองสมาทานนั้นทำเพื่ออะไรสมาทาน ท, ทำเพื่อให้จิตตั้งมัน่นจิตสงบจิตมีเรี่ยวมีแรงวิธีทำทำยังไงจิตของเราปกติเนะี่ยร่อนเร็ตลอดเวลาวิ่งไปทางโน้นวิ่งไปทางนี้วิ่งไปอดีตไปอนาคตนะตลอดเวลาลเรามาฝึกให้จิตอยู่ในอารมณ์เดียวไม่ร่อนเร็ไป มีบ้านให้จิตอยู่นะอาจจะอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอยู่กับการคิดถึงทานคิดถึงศีลคิดถึงพระพุทธพรธรรมพระสงอะไรก็ได้คิดถึงความตายคิดถึงลมหายใจคิดถึงร่างกายอะไรก็ได้มาสักอย่างหนึ่งให้จิตมันไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวที่ว่าเมื่ออยู่แล้วมีความสุขเมื่อจิตมีความสุขอยู่ในอารมณ์มันใดแล้วจิตจะไม่หนีไปเที่ยวที่อื่นแต่ที่จิตของเราร่องเรื่วิ่งหาอารมณ์โน้นอารมณ์นี้ไปเรื่อยๆเพราะจิตมันไม่มีความสุขจริง มหิวเนี่ยเองดะงนั้นถ้าเราจะทําสมาทานเราก็ต้องเลือกดูว่ากรรมฐานอะไรที่เมื่อเราทําแล้วเนีจิตใจมีความสุขอย่างของผมนะครับมันหายใจฝึกหายใจเด็กหายใจแล้วมีความสุขแล้วเวลาจะทำสมาทาผมก็เห็นร่างกายหายใจนะทำตับสงบไปจิตใจมีความสุขเมื่อไร่จิตจะสงบเมื่อ น, นั้นก็เราจําไว้อย่างนะั้นความสุขเนี่ยเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิบางคนไม่รู้ว่าสมาธิเกิดจากอะไรก็ไปบังคับจิต จิตเหมือนเด็กร้อนเร่ตลอดเวลาหนีไปเที่ยวที่โน้นที่นี่นะมันเที่ยวหาความสุขไปเรื่อยเราอยากให้เด็กสงบเรียบร้อยเข้าบ้านไม่หีไปเที่ยวเราก็เอาขนมไปล่อเราของที่มีความสุขไปล่ออย่างช่วยเด็กมากินไอศครีมนะเราอยากไปเที่ยวนอกบ้านเด็กมันมีความสุขก็ไม่หนีไปเที่ยวจิตนี้ก็เหมือนกันติดเที่ยวหาความสุขเพื่อเที่ยวหิวอารมณ์ไปเรื่อยแต่ถ้าเราเอาอารมณ์ที่จิตมีความสุขมาให้จิตจิตก็จะสงบอยู่ในอารมณ์นั้น พุทโธไปหรือหายใจไปแล้วแต่นถนัดจิตมีความสุขแล้วจิตก็อยู่อารมณ์หายใจอยู่กับพุทโธนี่คือสมถะสิ่งที่ไดนะ้ได้ความสุขได้ความสงบได้ความตั้งมัน่นไม่ร่อนเร่ น, นะส่วนวิปัสสนาเนี่ยทำไปเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นความจริงสมถะทําไปเพื่อให้จิตตั้งมั่นนะวิปัสสนาทําไปเพื่อให้เห็นความจริงของอะไรของรูปของนามขอกไปของใจ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 ในกายในใจนี้ร่างความเห็นผิดได้ก็จะพ้นทุกข์ได้ว่ามเห็นผิดนั่นแหละตัวหัวโจกอองขหาอาวิชาความไม่รู้นั่นเองเมื่อเราทำวิปัสสนาแลก็เกิดวิชาความรู้ความจริงก็ล้างเอวิชาไปก็พ้นะทุกข์ไปสมถะทางวิปัสสนาก็องไมเ่เหมือนกันคนละวัตถุประสงค์คนละ ว, วิธีการนะสมถะต้องการให้จิตตั้งมั่นอยู่ในรมเดียวไม่ร่อนเร่ไป วิธีทําน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขและจิตจะสงบตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์นั้นโดยที่ไม่ได้บังคับถ้าบังคับอยู่ไม่เป็นสมถะวิปัสสนาทําเพื่อให้เห็นความจริงของรูปนามกายใจและคอยรู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจอย่าลืมกายอย่าลืมใจในขณะเทียวกันเพอย่าไปเพ่งกายเพ่งใจจนเงินนิ่งให้คอยรู้สึกมันไปเดี๋ยวก็เห็นความจริงแสองอย่างนี้ไม่เหมือนกันแต่เกื้อปูนกันสมถะเราก็ไม่จริงนะทำได้ก็ต้องทํา จิตไม่มีสมรรหนะหลังเลยเวลามาเจริญวิปัสสนามันจะฟุ้งซ่าน้วมันจะดูไม่ได้จริงอะจิตมันต้องตั้งมั่นจิตต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิดปานขึ้นมาแล้วมันจะถึงจะแยกกายแยกเวทนาแยกจิตได้ถ้าจิตฟุ้งซ่านมันก็แยกไม่ออกถ้าจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิดปานที่เห็ น, นกายอยู่ส่วนหนึ่งเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งสังขารอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่ ง, นน ง, ง, นนงแต่ละส่วนแต่ละส่วนไม่ใช่เรานั่นเป็นเกื้อปูนกัน เวลาเดินมิปสัสชนะไปบทีฟุ้งซ่านแล้วก็กลับมาทําความสดงบมาแต่สงกแล้วก็ไม่อยู่เฉยไม่ไม่อยู่สบายเพลินนานๆบ้างๆกลับมารู้กายมารู้ใจแล้วให้เดินอย่างนี้นะครับเดินสองขาโดินยพอนพระนะครับพระทิ้งสมถะไม่ได้นะเพราะเราเป็นพระเราไม่มีกรรมมาสุกเลยอยากกินของอร่อยก็ไม่มีให้กินเลยหน้าหนามหน้าหนาวแค่ตายเยี่กินบอลพระไม่มีคุณพิเศษอยู่้อหเดินนะ นนหน้าร้อนรนหน้าหนาวหนาวเนยเราไม่มีการผสมไมมีความสุขทางกายแล้วเราความสอกมานะจิตใจได้มักกว่าจิตใจมีความสูงเนี่เราอยู่ในสมาธิได้นานเนี่ยทิ้งไห้อีกงโดยเาครับค่าหนุ่มๆนะครับดูไกลได้มากไหมขมระักไ่งั้นระรังรุนแรงขึ้นมาเดี๋ยวก็อยู่ไม่ไหวโอกาสทางอาจารย์พรหมพุโชวนะครับ ผมรู้สึกตื่นเต้นนะครับเต็มตัวมาหลายวันแล้วนะครับที่จะมาพบกับครูบาอาจารย์ที่พะรุนะฮะขณะเต็มตัวพบครูบาอาจารย์นะเต็มตัวโชคดวยก็คือทอ่ของผมนล้หลงหลงงานนะครับก็คือมีความตื่นเป็นช่วงๆนะครับทีผมนั่งฟังยึดมือช่วงที่ตื่นที่สุดนะฮะก็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 ผมพยายามที่จะทําดีนะฮะเขาเรียกว่าทําดีให้ลูกทำถูกให้หลานนะครับขออาจารย์ช่วยชี้แนะแนวทางให้ด้วยครับผก็ที่ว่ามทำดีนะทําดีอะไรนะให้ลูกทาถูกให้หลานทํำวิาานะปสัสสนาให้ตนเองนะ <c oughs> อย่าลืมนะหมดแต่ที่เลี้ยงลูกเลี้หลานพยายามรู้สึกตัวนะพยายารู้สึกตัวไบ่อยนะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกแล้วนะอย่าตอนนี้จิตริ่งมาที่อัตามาตัวไป ดูครันะเรื่อเคอยรู้ทันหน่จิตมันจะหนีไปตลอดเวลาหนีไปดูหนีไปฟังหนีไปจิตเราไปรู้ทันน่ที่ที่ราองไห้เนี่ยเขาเรียกว่าปิติชราชาแต่ถ้าปิติเลยพลังจิตแต่รู้ทันแลาปิติพลังจิตถ้ารู้ทันนั้นปิติจะแยกจะอยู่ตางจิตอยู่ต่างและจิตไมถูกปิติครอบงใช้เข็มในขนาดนี้ปิติก็ลงแล้กเหรอไหมดูภาพนใช้เข็มให้จิตขนานี้มีความสุขมากขึ้น ดออกไหมมันสอกมากขึ้นแล้วเรารู้ลงไปรู้ความเปลีนแปลงของจิตและเป็นขนาดขนาดรู้อย่างนี้เรื่อยจิตแอบเป็นคิดยัง้งชั่์ไหมเนี่ยรู้ทําอย่างนี้นะันรู้ทาําไปเรื่อยไม่ยากหรอกเนะสียดายพวกเราท่านตวกเราลงปูดสิ้นแล้วสิ้นะถ้าทัดอยู่นะโอ้เป็นที่พึ่งที่วิเศษเนละเวลาภาวนาติดขาดนะพึ่นไปกล่าวไม่ท่านจะถามเมื่ท่านจูบแล้วผมเกิดที่เชียเดาวครับนะก็เบลกันได้รับแชร์อื่นกันเดินนะ ทำไมไม่หันภาวนาก็จะหาวนาครับนะภาวนานะห้าอตัวเราเองถ้าเจ้าอยู่เราอยภาวนาท่านภาวนาเก่งด้งนั้นเราต้องตามท่านนะท่านเป็นแบบอย่างที่พิเศษที่สุดเข้ากันะครับได้อีกหนึ่งท่านขอบคุณเจ้าท่นพี่นะครับแล้วก็กลับรำกสการหลวงพ่อนะครับเดือนที่แล้วไม่มีโอกาสไปกลับหลวงพ่อที่ชนบุรีนะครับหลวงพ่อบอกว่าชอบ ชอบคิดจิตไหลแล้วแล้วก็ติ mm hmm. ดนิ่นะครับ mm hmm. ก็กลับมาปฏิบัติได้หนึ่งเดือนรู้สึกมันมันไวขึ้นมันไม่ค่อยเฉยเฉยเหมือนเดิมแต่เราอยากจะทราจบจากหลวงพ่อครับว่าก้าวน้าที่ถูกต้องเนี่ยอยากทํามหลวพ่อตอนนี้จิตตื่นหรือยังนะครับ mm hmm. มันเหมือนตื่นเล้นตื่นเต้นจิต พี่ย่าอย่ปกังวลเรื่องจิตตื่นไม่ตื่นนะ เ, เวลาที่จิตตื่นจิตรู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกได้เป็นขนาดขนาดแัแบแวบเดียวเดี๋ย ว, ยวมันก็หลงใหม่นะเพราะนั้นมาหลงไปเรารู้หลงไปเรารู้เนี่ยความตื่นนี่ถี่ขึ้นถี่ขุ่นนะที่ฝึกมามันก็ดีหรอแต่ต้องฝึก อ, อีกนะอย่าขี้นะกเกียจนะสังเกตไหมบอกหลวงพ่ได้ไหมจิตขนาด น, นี้เป็นยังไงตอนนี้รอฟังหลวงพ่อ <c oughs> จิตกระแรงอมีอะไรอีกนอกจากราฟัง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 หายใจออกเห็นร่างกายมัไหนใจออกไม่ใช่เราหายใจออกใครดูไปเรื่อยาของพ่อช่วยนสวาสภาวะไปจ น, นจนถูกนีหลวงพ่อบอกว่าถูกยไ้หมครับเนี่ยตอนนี้ธรรมอยากมันเกิดเราเห็นแนละ้วย่ไปเจี๊ยบพูดนะเนี่ยไปสังเกตแล้วทราบไหมโรงจิตไปเที่ยวดูมาแนละ้วนะให้รู้ทางนะอย่าไปบังคับมันเอาคุณอย่าไปเปลียนห้ไปฟังซีดีบ่อยๆนะแล้วก็ใช้ชีวิต ธ, ธรรมดาไนดะ้ือศีห้าไว้ มีสี่ห้าไว้ก่อนนะดีที่สุดตัจากนั้นให้ใช้ชีวิตธรรมดาตาหูจมกลิ้นการใ้กระทบอารมณ์ให้มันกระทบไปพอกระทบแล้วนะจิตเกิดความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ให้รู้ทันจิตเฉยเยให้รู้ทันจิตยินดีจิตยินร้ายให้รู้ทันตอนนี้แอบไปิตดนซ้หมยืมไปเพ่งนะยืมเพ่งหนึ่งปลยใช้ยาไปเพ่งแ่นี้องไงตับตรงไหนออกมะขาสมาธิไปไหนนะ เป็นทุกวัน่าแบ่งเวลาไว้ทำในรูปแบบบ้านนะพุทโธไปสวดมนต์ไปอ่ไรเงี้ยแล้วก็คอยรูทจิตที่ไหลคิดกัได้เนี่ยเดี๋ยวจะเรียกไหลอย่างนั้ไมรับรใช่หมเอออย่างนี้นะรู้ทันอย่างนี้เราหัดไปนะพุทโธพุทโธหรือไม่ชอบพุทโธพุทโธอย่างเดียวเราเบื่อพุทโธทำโมสารพุทโธก็ได้ไม่ชอบอย่างรือเอาครอื่นก็ได้บริกรรมไปแล้วก็รู้ทันเวลาจิตไหลรู้ทันรู้ทันนจิตจะตื่นขึ้นมา อย่างตอนเนี้จิตในฝันรู้สั่งไหมนิตในใจคิดเห็นจิตที่อืดอนดไหมครับโอ้อึดอาดเท่าไหร่อยากแล้ว เ, เป็นโขมไหมอยากให้มันดีอยากให้ดีเป็นเหตุการกกงเป็นการกระทํา ค, ความอึดอัดเป็นผลนะมีกิเลสคืออยากมีการกระทํากรรมคือโขมมีความทุกข์เกิดขึ้นนะมีกิเลสมีการมีวิบากมันหมนอยู่อย่างนีนะ้ให้ความรู้เรื่อยๆไปไ น, นะ อันนี้เนียงเท่านี้แหละต่อไปหนะไหนๆก็รับสีไปแล้วนะฟังธรรมไปนะ้ต่อไปนี้ลงมือปฏิบัติวิธีปฏิบัติธรรมนะเคยทาาาําปัญหาอะไรก็ทําำใจพุทโธก็พุทโธเคยหายใจก็หายใจไปดูท้อมฟังยุบก็ทําแต่ระวั า, าอันงอยให้จิตถลางลงไปอห่ให้จิตลงไปนิ่งอย่างบางคนไปพุทโธก็บังคับจิตให้นิ่งจะรู้ลมหายใจก็ให้จิตเป็นนิ่งอยู่กับลม ดูท้องจิตที่าไปเกาะนิ่งอยู่ในท้องเราปราบทีหนึง่งดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานทำตัวเป็นคนดูนะต่อไปนี้ประมาณสองสามนาทีก็พอทำมากเดี๋ยวก็รู้ให้ให้ทำหน้าที่เป็นแค่คนดูดูกายทำงานดูจิต ท, ทำงานแล้วเดี๋ยวเราพอนาแล้วเนี่ยถ้าจิตใจเราตั้งมั่นขึ้นมานะแม้แต่แวบเดียวนะเราจะได้บุญที่มหาศาลยิ่งกว่าสร้างปาฏิหกนะมันก็ชั่ว ั้งกระดิ๊หูงูและลิ้นแป๊บเดียวเท่านั้นถ้าจิตตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยจะเป็นบุญเป็นกุศลอันมหาศาลกับตัวเราเองนะแล้วังจา ก, กนั้นเราจะช่วยกันน้อมจิตน้อมใจน้อมไหวพระาพรนนะาชกุศลอธิษฐานจิตให้ท่านได้นะอธิษฐานจิตให้ในหลวงของเราได้อังเชิญนั่งดูไปดูใจใมาทำงานจิตจิตวกเราสงบต่อสควรแล้วนะ อย่าให้จิตถอนออกมานะนึถกถพระเจ้าอยู่นะอุ้งรานะอธิษฐานให้ทา่านมีพลานามัยแก็งแรงนะมีอาย่ยืนยาวมีความสุข